ตีสก็ระครังปลุกตื่นพอตื่นเสร็จก็ล้างหน้าล้างตาทําวัดเช้าพอทําวัดเช้าเสร็จต้องนั่งทําสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วห้านฬิกาจึงจะเข้าห้องเรียนตั้งแต่ตีห้าเราก็เข้าเรียนหนังสือกันแล้วจนถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปพักฉันเช้าแปดโมงก็เข้าเรียนต่อเรียนอย่ตัจงถึงเพนพอเพนก็พักฉันเพน ฉันเพลนเสร็จส2บสองโมงเราก็เดินจงกรมเดินจงกรมกําหนดระยาบทแล้วก็นั่งทำสมาธิอีกครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็พักผ่อนไปตอนเย็นทำวัดเย็นอีกพอทาวัดเย็นเสร็จนั่งทำสมาธิอีกพอเรียนหนังสือเลิกแล้วลงมือทำงานตอนเย็นทำวัดเย็นทำวัดขําเสร็จนั่งทำสมาธิแล้วจึงจะได้กลับมาพักผ่อนทำการบ้าน เน้นองหนึ่งแกป ฏ, ปฏิบัติปฏิบัติไปบอกว่ามีเห็นเป็นภาพปีศาจใหญ่จะมาจับและตกใจร้องขึ้นจะมาจับแหลตกใจร้องแต่แล้วแกก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ๆแกก็เดินมือลอยไปทางริมทะเลจะเดินลงทะเล เพื่อนเนเห็นที่คอยสังเกตอยู่เอ๊เห็นผิดสังเกตก็เียไปดึงตัวเอาไว้ถามว่าเนรจะไปไหนจะเดินลงทะเลบอกอ้าวทาไมถึงได้เดินลงทะเลละ่ะอาจารย์ก็เรียกมาถามก็บอกว่าไม่ทราบมีอํานาจอะไรก็ไม่ทราบเป็นรูปทมึงถึงหน้ากลัวเนี่ยมาบังคับให้เดินตามไปจะพาลงทะเล เราก็มาปรึกษากันว่าเออารมณ์นิมิตเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าเมาื่อสำเนนองค์นี้ปฏิบัติแล้วจะมีภาพนิมิตอันนี้ปรากฏทุกครั้งแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันแกบอกเหมือนกันทุกครั้งเลยนั่งทีไรจะเห็นคนคนนี้แกบอกเห็นคนเนี้ตลอดเวลาถามแกบอกเห็นมานานหรือยังบอกว่าระหว่างบวชแล้วมาปฏิบัติเนี่ยจริงจะเห็นแต่ก่อนนี้ไม่เคยเห็นแกบอกรูปคล้ายพญายม บอกเอยังไงก็นึกว่าเนี่ยคงจะเป็นอำนาจกรรมนิมิตรถามาเนนเคยเคยไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าแกก็บอกว่าแกไม่เคยฆ่าไม่เคยฆ่าสัตว์แล้วก็เนนอายุสิบเอ็ดขวบจะไปฆ่าคนตายได้ยังไงไอทรมาปไร้ร้ายน่ะคงจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นก็คงจะเป็นอดีตกรรมคือชาติก่อนอาจจะไป ทำกรรมอะไรไว้ไปก่อศัตรูไว้และก็คนหรือสัตว์ที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายมันอาจจะมีจิตผูกพยาบาทอะไรต่างๆแล้วก็มาก่อกวนก็ได้ก็เลยแนะว่าทีนี้เอาใหม่พอนั่งก่อนจะนั่งภาวนาให้อธิษฐานอธิษฐานว่า ถ้าเราเคยประกอบกรรมอันใดด้วยความประมาทพลั้งเผลอไปด้วยความไม่รู้ขอให้สัตว์เหล่านั้นโอ้โหศีการรมให้แก่เราด้วยเราได้บวชมามีศีลเราปฏิบัติธรรมเราศึกษาธรรมวินยัยขออุทิศส่วนกุศลที่เราได้ปฏิบัตินี้ให้แก่สรรพสัตว์ผู้นั้นและได้แก่นั่งเราคุมให้นั่ง แกก็นั่งได้ดีไม่มีภาพนิมิตเกิดพอออกจากปฏิบัติก็แผ่ส่วนกุศลให้เจาะจงแผ่ให้ภาพที่ปรากฏว่าแผ่ส่วนกุศลไม่ให้เราปฏิบัติทำแล้วขอให้เขาได้รับส่วนกุศลด้วยภาพเหล่านั้นก็หายไปแม้ใหม่ๆต้องคุมกันแจกัวจะเดินลงทะเลต้องคอยคุมคอยดูแลทุกๆริยาบทคอยสังเกต เนี่ยภาพเราเนี่ยปรากฏได้แต่ว่าเราต้องรู้จักแก้ไขมีโยมคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับอาตมาเริ่มทำบุญกับวิทยาลัยเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกคิดแล้วทำบุญกับวิทยาลัยเกือบสองแสนบาทแต่โยมผู้เนี้เป็นคนจีนสนใจปฏิบัติธรรมกินเจด้วยมังสวิรัต บอกไปปฏิบัติธรรมในถ้ำกับพระจีนไม่ทราบไปแน่กันยังไงเลยวิกลจริตไปแก้ไขไม่ตกเวลานี้ต้องอยู่ที่ปากรองศาลแต่หน้าสงสารมากตั้งรังสุปก่อนที่จะวิกลจริตนี่ยังอุตส่าห์ไปเลี้ยงพระทิวิทยาลัยวันเกิดก็ยังดีไปหาตมาก็ยังดียังเรียบร้อยไม่พลังเผลออะไรแต่ว่าเป็นคนฝักฝ่ายทางนี้ เพราะว่าสนใจการปฏิบัติทีนี้ไปปฏิบัติผิดอาจารย์ที่สอนหรือที่คุมเนี่ยไม่ทราบ <c oughs> แล้วก็ไม่มีทางแก้ไขตัวสุดท้ายเลยวิกลจริตเวลานี้บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลสติไม่ดีสมาว่าจะไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งก็ยังหาเวลาไม่ค่อยจะได้ กอนสงสารอยู่เนี่ยส่วนมากแล้วเกิดมาจากกรรมบางทีกรรมอันเนี้ยเกิดขึ้นเรียกว่ากรรมนิมิตจันั้นการปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายอันหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้ถ้ามีภาพนิมิตอันนี้เกิดขึ้นเราต้องมีวิธีแก้ไขว่าจะแก้ไขอย่างไรทต่ในผู้สอนบางคนเนี่ยไม่ทราบวิธีแก้เมื่อมีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ถูก เมื่อแกไม่ถูกปล่อยไปมากเข้ามากเข้าสติของผู้ปฏิบัติฟัน่นเฟือนเลื่อนลอยไปผลสุดท้ายก็เอากับคืนลาบากเนี่ยการปฏิบัติจึงต้องอาศัยผู้รู้คอยคุมถ้ามีสภาวะอะไรผิดปกติขึ้นต้องเรียนถามอาจารย์ที่คุมอาจารย์ที่คุมผู้ฉลาดต้องแก้ไขให้ได้ทันทีว่าวิธีแก้ไขแก้อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่รู้แล้ว ก็เป็นอันตรายอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยเรียกว่ากรรมอันตรายยะกรรมเป็นอันตรายอันหนึ่งที่เราได้เคยทำไว้และกรรมอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการกระทาของเราเองทั้งนั้นนะ่ะเมื่อเราประกอบกรรมอันนี้ขึ้นกรรมอันนี้ก็เป็นผลตามมาระหว่างที่เรามาปฏิบัติธรรมเมื่อก่อกวรได้ถือเป็นเรื่องของกรรม อ, อ, อันตรายอันนี้ผู้ที่ ปฏิบัติจะต้องพยายามศึกษาแล้วก็จะต้องรู้วิธีแก้ไขด้วยไม่มีอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ขออย่างเดียวว่าให้เรารู้วิธีเท่านั้นน่ะทุกอย่างในโลกเนี่ยเราแก้ไขได้แก้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าวิธีที่จะแก้นั้นนราจะแก้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งวิธีแก้เป็นเรื่องสําคัญถ้าแก้ถูกวิธีเราก็แก้ปัญหาต่างๆตก ไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่เราแก้กันไม่ได้เราแก้ได้ทั้งสิ้นแต่วิธีแก้นั้นเราจะต้องรู้ฉะนั้นเรื่องกรรมอันตรายะเนี่ยก็เป็นอันตรายอันหนึ่งสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยเคยประกอบกรรมหนักมาก่อนที่เราจะปฏิบัติต้องต้องแผ่เมตตาแผ่กุศลในเรื่องนี้ให้มากแล้วการปฏิบัติก็เกิดผล โยมบางคนใหม่ๆที่มาปฏิบัติเนี่ยบางทีฟุ้งซ่านนั่งไม่สงบนั่งเทา่ทาไรเท่าไรก็ไม่สงบกระวนกระวายหงุดหงิดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอำนาจกรรมบรรดาลขึ้นเราก็ต้องอดทนไว้ต้องพยายามปฏิบัติอยู่เสมออย่าทําได้ตนเองแล้วก็อย่าเก็บความรู้สึกอันเนี้ยไว้ได้ตนเองต้องเล่าให้ผู้รู้ได้ทราบจะได้ช่วยกันแก้ไขจะได้แนะวิธีที่ถูกว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ถ้าเราเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะมาแก้ไขให้กับเราได้ก็เป็นอันตรายอันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามเปิดเผยแล้วก็พยายามหาท่านผู้รู้คอยแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติอันนี้ไว้อันตรายข้อที่สามคือวิปากันตรายะวิปากันตรายะเนี่ยแปลว่าวิบาตของกรรมเป็นอันตราย วิบากกรรมที่ว่าเป็นอันตรายในทีน่นี้ท่านหมายถึงวิบากของบุคคลอย่างเช่นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็โดยอำนาจของกุศลวิบากกุศลวิบากเนี่ยทาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่ากุศลบางอย่างที่เราสร้างมาโดยไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เรานี้เป็นมนุษย์ประเภทที่ไม่สมบูรณ์เช่นอย่างบางคนเป็นอเหตุตุกะปฏิสนธิ อเหตุตกับปริสนที่นี้หมายถึงผู้ที่เกิดมาด้วยอยเหตุตุกจิตที่เป็นูุสนวิบากแปลว่าไม่ประกอบด้วยเหตุสมบูรณ์คือเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นมนุษย์ประเภทอาภัพพระบุคคลคือประเภทที่อาภัพเช่นอย่างเกิดมาไม่สมบูรณ์ทางอวัยวะบางทีก็เป็นบ้าบางทีก็เป็นใบบางทีก็ติดอ่างบางทีก็เป็นอะไรหลายลอย่าง เป็นเป็นกระเทยเป็นบรนดอพวกนี้ประเภทนี้ปฏิบัติธรรมให้สมาธิคือฌานเกิดก็ไม่ได้จะปฏิบัติธรรมไปสู่มรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ประเภทเนี้พวกอหิยตุกะปริสนทิเช่นคนที่เกิดมามีเพศไม่สมบูรณ์จะเป็นเพศชายก็ไม่ใช่เป็นเพศหญิงก็ไม่ใช่เที่เราเรียกกันว่ากระเทยในปัจจุบันแต่ว่าในทางวินัยนี้จําแนกไว้หลายประเภทเหลือเกิน บางคนมีนิสัยเป็นผู้หญิงเวลาขั้งขึ้นแต่ไปถึงข้างแรงมีนิสัยเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็มีข้างขึ้นเป็นผู้หญิงข้างแรมเป็นผู้ชายคือไม่เคยสมบูรณ์อ่ะหรือมิฉะนั้นจิตนี่ก็ผิดปกติไปความคิดอ่านต่างต่างตัวเป็นผู้ชายอะ่ะแต่จิตเป็นผู้หญิงอะไรทำนองนี้ผลสุดท้ายก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้บรรลุมรรคผลประเภทนี้ถ้าไปปฏิบัติธรรมก็ฌานไม่เกิด ทำสมาธิฌานไม่เกิดทำวิปสนามรรคผลไม่เกิดประเภทนี้เราเรียกว่าอภัพภะบุคคลเป็นบุคคลที่อาภัพในเรื่องของเพศในเรื่องของอวัยวะในเรื่องของภูมิคือมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยสมบูรณ์ที่ไม่เค่อยปกติประเภทนี้เ ร, เรียกว่าอเหตุกาบุคคล นอกจากอเหตุตกตะ บ, บุคคลแล้วก็พวกทวิเหตุตุกะ บ, บุคคลทวิเหตุกะ บ, บุคคลนี้คือผู้ที่เกิดมาด้วยเหตุสองอย่างเกิดจากวิบาบจิตที่ประกอบด้วยอโลภาอโทสัแต่ว่าอโมหะไม่ประกอบเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้ก็เกิดมาด้วยความไม่โลภ ก, กับไม่โกรธแต่มีความหลงมาตั้งแต่กำเนิดแล้วถ้าหากว่าเป็นทวิเหตุกตะปฏิสนธิบุคคลอย่างนี้หรือทวิเหตุกะ บ, บุคคลอย่างนี้ จะทมรรคผลในปัจจุบันให้เกิดนั้นก็เกิดไม่ได้ทำฌานก็ไม่เกิดทำมรรคผลก็ไม่เกิดแต่ก็อบรมให้เป็นนิสัยได้เช่นอบรมให้เป็นนิสัยต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเนี่ยก็อบรมได้เพราะว่าการสร้างกุศลมาไม่สมบูรณ์ดังกล่าวตั้งแต่ในอดีตชาติก็ส่งผลให้มาได้รับวิบากคือผลอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิปากันตรายะวิบากของกรรม เป็นอันตรายต่อมรรคผลเป็นอันตรายต่อสมาธิเนีอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นอันตรายทั้งสมอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องเข้าใจเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้รู้จักป้องกันอันตรายเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นและอันตรายเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวเราทั้งนั้นไม่ใช่อันตรายภายนอกฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้น จึงจัดว่ามีอันตรายดังกล่าวแต่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติเองไม่ใช่อันตรายเกิดขึ้นนอกตัวเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่นําเรื่องนี้บรรยายก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจว่าตามประพฤติทรมปฏิบัติธรรมนั้นก็มีอันตรายเช่นเดียวกันการไม่ประพฤติธทําไม่ปฏิบัติธรรมอันตรายทั้งสามประการนี้กลับไม่ค่อยจะเกิดขึ้น แต่ถ้าปฏิบัติทำแล้วก็จะเห็นอันตรายอันนี้ทันทีเหมือนชาวโลกไม่เห็นว่ากิเลสเป็นอันตรายเพราะโลกต้องต่อสู้กันด้วยกิเลสและก็อยู่กันด้วยกิเลสก็ไม่เห็นว่ากิเลสเนี่ยจะเป็นอันตรายอย่างไรยังเห็นว่ากิเลสนี้เป็นของดีซสอีกนี่เป็นความรู้สึกของชาวโลกโดยทั่วไปแต่นักปฏิบัติธรรมะแล้วจะต้องเห็นภัยของกิเลสเห็นว่ากิเลสเนี่ยเป็นโทษเหลือเกิน พระพุทธองค์ก็เลยชีย้ให้เราได้เห็นว่ากิเลสเป็นโทษอย่างยิ่งไม่ว่ากิเลสนั้นจะเป็นกิเลสใหญ่กิเลสน้อยเป็นโทษทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเห็นว่ากิเลสเป็นศัตรูแล้วก็มุ่งทําลายล้างกิเลสผลแห่งการปฏิบัตินั้นจึงจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ได้กรรมคือการกระทําก็เช่นกันตามประกอบอุปโสตกรรมนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นมลทินอย่างยิ่งของผู้ปฏิบัติธรรม ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงต้องเว้นจากกรรมไม่ควรประกอบกรรมที่เป็นอกุศลต้องเว้นจากอกุศ ล, ลกรรมโดยประการทั้งปวงไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมธรรมดาสามัญหรือกรรมนั้นจะเป็นอนันตรีกรรมก็ตามต้องเว้นทั้งหมดไม่ควรประกอบอกุศ ล, ลกรรมนี่เป็นเป็นอันตรายที่เราป้องกันได้ในปัจจุบันส่วนวิปาอันตรา ย, ยะเป็นอันตรายขั้นที่สามนั้น เราหลีกเลี่ยนกันไม่พน้นเพราะว่าเราจะรู้ว่าวิบากกรรมนี้เป็นอันตรายเราก็แก้ไขไม่ได้แล้วเช่นอย่างคนเกิดมาเป็นกระเทยแล้วจะไปแก้ไขได้อย่างไรคนที่เกิดมาเป็นทวิเหตุกับบุคคลจะไปแก้ไขได้อย่างไรแก้ไขไม่ได้เพราะอันนี้เป็นตัววิบากกรรมมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องอบรมให้เป็นนิสัยพยายามสั่งสมกุศลไวเพื่อไปสู่ อุสนที่สมบูรณ์ต่อไปอีกในพบหน้าเท่านั้นแต่ว่าในอดีตชาตินั้นน่ะไม่มีทางแก้ไขแล้วอันตรายทั้งสามอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันให้เข้าใจเพื่อผลในการปฏิบั mm hmm. ติเนตมาในวันนี้ก็อขอพูดถึองอันตรายทั้งสามอย่างสาหรับเรื่องการเจริญสมถกรรมาฐานในเรื่องของกระสินนี้ กระสินอง์อื่นนั้นก็ยังมีอยู่อีกและปะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติหรือการเพ่งกระสินที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่อดีตนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรอันนี้อาจาจะได้นำมาอธิบายในวันอาทิตย์ต่อไปหรืออาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นก็คงจะได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวมาก็พยายามที่จะไม่ให้ขาด อย่างวันนี้ก็ปลีกตัวท า, ทางนู้นก็ไม่เสียทังนี้ก็ไม่เสียแต่ว่าต้องเดินทางเร็วหน่อยเท่า น, นั้นเองคือทั้งนู้นยากโยมมากไกลไปที่วิทยาลายัยก็มีโอกาสได้ต้อนรับอยู่จนเรียบร้อยแล้วจึงได้เดินทางมาบรรยายที่นี่ทันทันกับเวลาบ้างถึงช้าไปบ้างเล็กน้อยก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยก็พยายามที่จะบรรยายให้ติดต่อกันความจริงระยะนี้งานทางวิทยาลัยเนี่ยมากอยู่ เกี่ยวกับพระเนรตอนนี้อยู่ถึงพันกว่ารูปแล้วก็การศึกษาตมาเองก็ต้องบรรยายด้วยบรรยายอบรมพระสงฆ์ที่มาอบรมรุ่นที่หกเนี่ยหกร้อยรูปต้องบรรยายต้องจัดหาอาหารโดยเฉพาะโยมมาไกลๆ ก, ก็ต้องคอยต้อนรับโยมเพราะว่าท่านสาธุชนที่สนใจเดินทางไกลๆไปก็อยากจะพบ เป็นามาก็ดีใจว่าโยมได้ไปเห็นกิจกรรมที่วิทยาลัยเพราะว่าการที่ได้ไปเห็นอะไรด้วยตาเองนั้นรู้สึกว่าจะถูกต้องดีกว่าที่จะไม่ได้เห็นเพราผู้ที่เข้าใจวิทยาลัยผิดๆส่วนมากเป็นคนที่ไม่เคยไปเห็นไม่เคยทราบว่าเราได้ดําเนินงานอย่างไรการศึกษาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นความที่ไม่เคยไปเห็นไม่เคยไปรู้จึงเข้าใจผิด หรือบางทีเห็นถูกแต่ก็พยายามเห็นให้ผิดไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ถูกแต่พยายามบิดเบือนให้ผิดก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือกันไม่ได้เราก็ถือว่าเป็นกรรมของศาสต ร, ร์เขาจะต้องเห็นไปอย่างนั้นก็เป็นสมบัติประจําตัวของบุคคลเราก็ต้องแผ่เมตตาไปให้อีกเนี่ยญาติโยมละเล็กลไปเยี่ยมเย็นอยู่เสมอก็ ทำให้ได้เห็นวิทยาลัยเนี่ยโดยถูกต้องขึ้นและการที่สงสัยอะไรมาถามอรตมานี่ก็ยิ่งจะถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะตมามาจะอธิบายให้เข้าใจในข้อสงสัยต่างๆนั้นได้สิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็เกิดความเข้าใจดีและเวลานี้ก็ทรามสาธุชนก็ไปทำกุศลกันอยู่บ่อยๆจึงต้องคอยต้อนรับบ้างดำเนินกิจการต่างๆให้ลุล่วงไปบ้าง เ, าเพียงแค่ทางานนี่ก็รู้สึกว่า เวลาของชีวิตน้อยไปแล้วงานที่วางไว้กับเวลาที่ชีวิตจะเหลืออยู่อีกปีนี้อาตมาสามสิบสี่ปีถ้าสมมติว่าจะอยู่ถึงตลอดอายุไขถึงเจ็ดสิบห้าปีก็เหลืออีกสี่สิบเอ็ดปีสี่สิบเอ็ดปีนี่ไม่พอคิดแล้วเวลาสี่สิบเอ็ดปีนี่ไม่พอทำงานแล้วงานที่จะทำมากกว่าเวลาที่เหลือสี่สิบเอ็ดปี ฉะนั้นก็ต้องมีภาระอีกอย่างหนึ่งคือวางงานให้คนอื่นรับช่วงต่อๆกันไปเผื่อว่าเราอาจจะไปก่อนสี่สิบเอ็ดปีก็ได้คนอื่นให้ได้รับช่วงงานต่อๆกันไปชีวิตคนนี้ไม่เสร็จแตชีวิตคนนั้นคงคงจะเสร็จเราพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่เพียงสิบปียี่สิบปีต้องอยู่เป็นพันๆปีฉะนั้นงานที่ทําเนี่ยเราต้องวางงานในพันปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นงานบางอย่างที่ท่านทั้งหลายไม่เข้าใจบางทีก็บอกว่าโอ้โ oh, หทำไมท่านถึงได้เร่งรีบทาทำใหญ่โตอย่างนี้อย่างเรื่องการเตรียมงานอะไรต่างๆทั้งมูลนิธิทั้งที่การปณาผลที่จะบมรุงนี่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจว่าอนาคตอีกร้อยปีสองรอยปีข้างหน้าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องวางราก ฐ, ฐานของพุทธศาสนาไว้ว่าจะอยู่ได้อย่างไร เนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมการไว้เป็นผลได้แก่ศาสนาทั้งนั้นแล้วก็คนทำไม่ใช่สบายเลยเหนื่อยจะตายไปประโโตกทำงานใหญ่ใญแต่ว่าเราทำเพื่อความมั่นคงของศาสนาและเพื่อความสงบสุขของสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าอาตมามองเห็นแล้วว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ฉะนัน้งานบางอย่างจึงต้องเตรียมไว้ตั้งแต่แ บ, บัดนี้บางทีก็ต้องเร่งงานสิ่งใดควรจะเร่งรีบทําก็ต้องเร่งรีบทําให้เสร็จเพราะเวลาของชีวิตเหลือน้อยดังที่เด็กล่าวแล้วบางท่านที่เริ่มทํางานมายังไม่ได้มีเวลาดูความสำเร็จเลยซ้ําด่วนตายไปเมื่อปีที่แล้วว่าตั้งหลายคนแต่มายังคิดถึงอยู่เสมอว่าเนี่ยงานเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูทํากันแล้วก็ผู้ทําก็ตายไปซะก่อนอย่างเนี้ย แล้วเราเองก็เหลือเวลาน้อยเต็มทีที่เราจะทำงานอันนี้ให้แกศาสนาฉะนั้นอาตมาก็ต้องใช้เวลาห ม, มุนในเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็ให้เห็นความสาคัญของเวลาไว้แล้วก็ขอให้คิดอะไรไกลๆอย่าคิดสั้นๆคิดให้กว้างขวางให้ลึกซึ้งนั่นแหละเราจึงจะดารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ วันนี้เวลาพอสมควรแล้วสมาขอขอบใจทุกท่านที่นดละเวลามาเมื่อครั้งก่อนได้พูดถึงอันตรายของผู้ปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไปแล้ว <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างสำหรับอันตรายเหล่านั้นถ้าหากว่าเราสา ม, มารถป้องกัน หรือเป็นผู้ที่ผ่านพ้นจากอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ย่อมจะสําเร็จผลได้นอกไปจากอันตรายทั้งสาประการคือกิเลสอันตรายยะหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิเลสตามอันตรายยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากอนันตริยกรรม วิปารตันตรายยอันตรายที่เกิดขึ้นมาจากวิบา์หรือผลของกรรมทั้ง3าประการนั้นแล้วทำเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุคคลผู้ประพฤติธธ ร, รมได้บรรลุถึงซึ่งจุดหมายของการปฏิบัตินั้นยังมีอยู่อีกสามประการด้วยกันประการแรกก็คือจะต้องเป็นผู้มีสัมมา ศทธานในที่นี้หมายถึงความเชื่อในพระธรรมตรยัยหรือความเชื่อในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่สองต้องมีฉันทะคือความพอใจใคร่ที่จะบำเพ็ญความเพียนหรือใคร้ที่จะปฏิบัติตามปฏิปทาเช่นนั้นประการที่สามต้องมีปัญญา ปัญญานี้คือความเห็นชอบอันเป็นส่วนของสมมติทิฏฐิทั้งในฝ่ายโลียธรรมและในฝ่ายโุโลหะปุสรธรรมทุกคนที่จะประพฤติธปฏิบัติธรรมให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องอาศัยหลักธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสันวนจริงคือในเมื่อเราสามารถป้องกันอันตรายาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของเราได้ทามประการแล้วเราจะต้องเพิ่มคูณ ธรรมทั้ง3าประการนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิต ด, ด้วยการปฏิบัตินั้นจึงจะส็จผลปัจจุบันนี้ได้มีสาธุชนส่วนมากสนใจต่อธรรมะปฏิบัติและบางท่านก็ภาพเพียนศึกษาและปฏิบัติทมด้วยสัมภาปภาษาธาอย่างแรงกล้าแต่ว่าบางท่านที่สนใจ หรือศรัทาภาษาพะในหลักธรรมแล้วการประพฤติปฏิบัตินั้นย่อหย่อนสําหรับผู้ที่ปฏิบัติอย่างแรงกล้าก็หวังที่จะได้บรรลุมรผลหรือบรรลุผลแห่งการปฏิบัติเหล่านั้นโดยรวดเร็วบางทีเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุถึงผลอันนั้นได้ก็รู้สึกเกิดความเหนื่อยหน่ายเพราะแท้ใหญ่ ว่าทำไมปฏิบัติทำแล้วก็ยังไม่สามารถบรรลุถึงผลอันไพ่บูรณได้หรือยังไม่ถึงจุดสุดท้ายเหล่านี้ได้จิตนั้นยังตกไปเป็นทาสของกิเลสหรือความเศ้าหมองต่างๆอยู่เนืองๆถ้าหากว่ า, าเราไม่ปฏิบัติธรรมหือใช้ความภาพเพียงอย่างอุปติชเช่นนั้นกิเลสจะเกิดขึ้นมากมายแค่ไหน าการปฏิบัติธรรมนี้บางครั้งจึงทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่ายและบางครั้งเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็เลยทอ้อแท้ใจคนสุดท้ายก็เลยทออทิ้งต่อการปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากว่าบางทีการปฏิบัติธรรมนั้นเราหวังผลเกินเกินกว่ากำลังกินรีที่เราจะปฏิบัติไปถึง เราก็ไม่ได้บรรลุผลส่วนนั้นถ้าหากว่าสาธุชนทั้งหลายจะศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายของการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้บรรลุผลโดยที่เราไม่ต้องเกิดความเหนื่อยหน่ายเพราะคําว่าปฏิบัติในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ละทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดเพื่อมุ่งไปสู่โลกุตธรธรรมหรือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องนั่งบำเพ็ญความเพียรด้วยการนั่งหลับตาเจริญภาวนาตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าพูดถึง้าการปฏิบัติธรรมแล้วเรามักจะพุ่งความสนใจไปสูจ่จุดนี้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็คือผู้ที่จะต้องละละโลกทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด ไม่ควรจะข้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกแม้แต่การทำมาหาชินเรื่องของครอบครัวก็ขาดความสนใจใจดีงต่างซึ่งถือว่านั่นแหละคือูที่ปฏิบัติธรรมและปัจจุบันนี้เองได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชริเนี้เกิดขึ้นบางท่านที่สนใจฝักใฝ่ในทางธรรมดีอยู่แต่ว่า ขาดความสนใจในเรื่องของครอบครัวไปก็เลยทําให้หน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อครอบครัวนั้นต้องบกป่องไปกว่ามีเช่นบางท่านเมื่อสนใจปฏิบัติแล้วก็ไม่สนใจใหญ่ดีต่อครอบครัวบุตรพันยาจะเป็นอยู่อย่างไรก็ไม่สนใจถ้าเป็นโยมผู้หญิงบ้านช่องจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจแล้วบุตสามีจะเป็นอยู่อย่างไรก็ไม่สนใจใยดีเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ โดยเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมและผลสุดท้ายโลกก็เสียธรรมก็ไม่ได้หมายถึงว่าธรรมะก็ปฏิบัติได้ไเต็มที่การปฏิบัติตนในทางโลกก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่เลยไม่ได้ทั้งสองทางเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไม่เข้าใจความหมายของคําว่าปฏิบัติธรรมนั้ น, นะ ความจริงการวางหลักธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ได้วางหลักปฏิบัตไิไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นหลักปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้ทุกทุกโอกาสทุก ท, ก ท, กทกหน้าที่ที่เรามีอยู่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นแม้ว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในฐานะเป็นผู้รองเรือนท่านทั้งหลายก็ สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเป็นผู้ทําหน้าที่ราวนั้นโดยสมบูรณ์ไม่ให้บกพร่องเช่นเราทําหน้าที่ของความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านทําหน้าที่ของความเป็นมารดาบีดาโดยสมบูรณ์อันนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะแล้วเพราะหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติในครอบครัวเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในสิงขารกสูตรมีเป็นหลักปฏิบัติโดยละเอียด ระกอบจนการทำมาหากินประกอบกิจาการงานต่างๆด้วยความซื่อสัตย์จริตและด้วยความขยนันพยายามนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะอีกด้านหนึ่งการทําความสงบเช่นที่เรามานั่งทําสมาธิหรือจเจริญมิปัฏนานี้นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่เป็นการปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมุ่งผลที่สูงไปกว่านั้นฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าคาว่าธรรมะกับคาว่าโลกหรือโลภิยธรรมนั้นย่อมเป็นของคู่กันสาวทุชนทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าธรรมะซึ่งเป็นคาสั่งสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักปฏิบัตินั้นมีไว้สาหรับโลกธรรมะนั้นมีไว้เพื่อโลก โลกจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธรรมะธรรมะที่อุบัติเกิดขึ้นมาก็เพื่อชาวโลกเนี่ยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นธรรมะกับโลกนี้จึงต้องเป็นของเพียงคู่กันอยู่เสมอทิ้งกันไม่ได้อย่างใดอย่างหนึง่งผู้ปฏิบัติธรรมะก็ไม่ใช่หมายถึงเป็นผู้ที่จะต้องทิ้งโลกทั้งหมดหรือว่าผู้ที่เป็นชาวโลกแล้วจะต้องทิ้งธรรมะทั้งหมด ถ้าหากว่าจะอยู่ในฐานะเป็นชาวโลกเป็ น, นเครือส่ายผู้ปกครองหรือจะประกอบกิจาการงานใดๆก็ตามจะต้องทอดทิ้งธรรมะที่หมดก็เป็นความเข้าใจผิดมากเพราะบางท่านเข้าใจว่างานและหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นี้จะมองมาใช้ธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะนี่ไม่ได้บางครั้งก็ต้องใช้